ข้าบทวิพันธ์328ที่ชื่อว่าสุราได้แก่สุราที่ทำจากแป้งสุราที่ทำจากขนมสุราที่ทำจากข้าวสุกสุรามักแป้งเชื้อเหล้าสุราที่ผสมเครื่องปรุงหลายชนิดที่ชื่อว่าเมไรัยได้แก manner, water, ่น้ำหมักดองดอกไม้น้ำหมักดองผลไม้น้ำหมักดองน้ำพึ่งน้ำหมักดองน้ำอ้อยงบน้ำหมักดองที่ผสมเครื่องปรุงหลายชนิด คำว่าดื่มคือภิกษุดื่มโดยที่สุดแม้ดื่มด้วยปลายยาคาแตกต้องอบัดปลายจิตี